วันนี้หลวงพ่อตั้งเรื่องเรื่องการเรื่องปล่อยวางหลวงพ่อเคยแสดงธรรมไวท้ที่ที่วัดนะเมื่อปีเมื่อปีไหนอะเนี่ยที่ขึ้นลิงเอาไวอ้อะนะรู้สึกจะปีห้าห้าแปดมั้งเดี๋ยวก็ดูข้อมูลนิดค่ะเมื่อสามปีที่แล้วค่ะหลวงพ่ออือนานนานมากว่ะตอนนั้นก็มันยังไม่ ยังไม่มีภาพถ่ายยังไม่มีอะไรแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยรู้สึกหลวงพ่อไปไปพมา่ามามั้งแล้วก็เก็บ<ะ>ภาพมาได้ก็เลยเอามาขึ้นเป็นปกไปพมา่าไปดูเจดีย์เจดีย์เยอะมากเลยพ ม, ม่าอือค่ะที่ที่หลวงพ่อชี้เนี่ยมันไอการที่ว่าเห็นอัตฐาเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลเลยน ะ, ะเพราะอะไรอะ่ะการเห็นอัตฐาเนี่ยมันถ้าทำให้ การเห็นอัตตาเนี่ยนะถ้าเห็นเนี่ยมันจะทําให้ผ่านได้เพราะอะไรขณะที่เห็นว่ามีอัตตาปั๊บเนี่ยถ้ามีปัญญาเนาะจากการได้ยินได้ศึกษาปั๊บเนี่ยมันจะพลิกเปลี่ยนเป็นอนัตตาในฉับพลันเลย<ช>แล้วอัตตา ก, นะก็ก็หมดไป<ะ>แต่ทีนี้ถ้าถ้าชี้บอกปั๊บเนี่ยไม่เห็นพอไม่เห็นเสร็จ <c oughs> อัตตามันก็อัดเนาะสู้กันเนาะใช่ใชอย่างเนี้เท่ากับว่าเสียโอกาสอะ่ะก็เลยเหมือนกับที่ที่หลวงพ่อเคยเล่าอะ่ะที่ว่าไปไปกราบอาจารย์เนาะ อาจารย์บอกตรงนี้เลยชีย้เหมือนกับว่าให้หยุดรู้พินาเลยแต่ว่าไอ้คาพูดเมื่อกี้เนี่ยนั่นน่ะมันเป็นอัตตาแต่พอพออาจารย์ชี้ปั๊บมันโอเคมันไวยังไงพอเห็นปั๊บโอ้เมื่อกี้ใช่เลยมันเป็นเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็มันพลิกเป็นอนัตตาก็คือว่าไม่มีไม่มีใครเป็นผู้ปฏิบัติหรอกเนี่ยโอ้มันรุดเลยอ่ะกาลังพูดถึงเรื่องการปล่อยวางอะนะหลวงพ่อจะ เชื่อเห็นว่าการปล่อยวางเนี่ยมันต้องวางอะไรบ้างนะอย่างเช่นเอ่อคนเราเนาะมันมีมันมีกายนะแล้วก็ก็มีจิตนะจะเรียกว่าเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นนามธรรมอืมค่ะทีนี้เรื่องกายการพินายกายเนี่ยในหลักสติปติฐานสูตรเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะพินายตั้งแต่เอ่อเขาเรียกว่าเป็นอิริยาบถนะเดินยืนนั่งนอนเนี่ยโคโยกเคลื่อนไหวอะไรแล้วแต่ หรือว่าอานาปนสติเรื่องลมหายใจหรือว่าการพิจารณาอาสุภะพวกนี้ครับพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักก่อนว่าอ๋ออันนี้มันเป็นส่วนกายเนาะไม่ว่าจะเป็นกายลมไม่ว่าจะเป็นกายเนื้อที่เรียกกายเนื้อเนี่ยนะเออแล้วก็รวมถึงเวลาตายแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเน่าเปื่อยผุพังแล้วมันก็แยกแยกชิ้นส่วนเนาะกระดูกก็ไปกองหนึ่งน้ำเหลืองก็ไปกองหนึ่งเรื่อง เกระโดกโอ้ยมันกระจุดกระจายไปหมดเลยนะแล้วก็มีการพิจารณาว่าไอ้คนตายเนี่ยสมมติเริ่มตาย1วันสาภาพร่างกายเป็นยังไงตาย2วันสาภาพร่างกายเป็นยังไง3วัน4วันห้าวันเนี่ยมันจะเห็นถึงความเป็นจริงคือแบบเน่าเปื่อยผุพังมีน้ําเลือดน้ำหนองโอ้ยไหลๆๆๆตรงนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักในส่วนนี้ก่อนแล้วพอตอนสุดท้ายก็คือเพื่อเพื่อลับปล่อยวางว่ากายเนี่ย มันไม่ใช่ตัวตนเนาะยึดถือไม่ได้นะอะทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ก็บางคนก็โอเคแหละตามลําดับไปรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางกายได้เนาะไม่หวงแหนแล้วแต่ก็ยังยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาเหมือนกับอเป็นบ้านเช่าเนาะเราผู้อยู่อาศัยก็ยังยังคอยดูแลรักษาความสะอาดกวาดถูอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราออันนี้ส่วนกาย ต่อมาก็เรื่องของของจิตนะจิตก็คือพวกความคิดพวกความรู้สึกอารมณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องพิจารณาพิจารณาให้เห็นก่อนให้รู้จักก่อนอมเมื่อเห็นเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจนะเพราะว่าจิตเนี่ยนะเป็นนามธรรมเนี่ยเขาก็แสดงความจริงให้เห็นอยู่ว่ามีลักษณะไม่เที่ยงนะความคิดเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใ น, ในใจก็ เกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นอย่างเนี้ยใจก็มีปัญญามากขึ้นว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นมันเป็นสังขารเนานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเนี่ยใจก็ยอมปล่อยวางในส่วนส่วนนามธรรมนะอันนี้ถ้าเกับว่าปล่อยวางสองส่วนแล้วแต่ทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาอีกก็คือว่าผู้รู้เพราะว่าการที่เห็นเห็นกายก็ดีมันก็ต้องมีผู้รู้ เห็นจิตนะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงทั้งห ม, หมดทั้งสิ้นมันก็ต้องมีผู้รู้แต่บงังเอิญว่าผู้รู้อันนั้นมันไม่ใช่ใครหรอกก็คือเป็นตัวเรานั่นเองนะเราคือผู้รู้ผู้รู้ในในรูปในนามนะแล้วก็เป็นผู้รู้ในเรื่องของความไม่เที่ยงของรูปของนามแล้วก็เป็นผู้รู้ถึงว่าเออมันเป็นอนัตตาแต่ทีนี้ ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยตรงนี้มันเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องอาศัยกัลยาณมิตรจริงๆถึงจะรู้จักว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้รู้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพบผู้รู้นะพบผู้รู้ก็คือตัวเรานี่แหละก็ให้วางอีกทีหนึ่งว่าผู้รู้เนี่ยอย่างเราเราเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันก็ยังอยู่ภายากดไตรลักษณ์เหมือนกันก็คือตายเข้าโลงเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อพบผู้รู้แล้วก็ต้องถึงทําลายผู้รู้เสียคือ คือทำลายในที่นี้ก็คือคือทำลายก็คือเหมือนกับว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งว่าผู้รู้ก็คืออันนี้ยังทุกขังอนัตตาและก็ไม่มีใครหลงยึดผู้รู้เมื่อข้ามผู้รู้ตรงนี้ไปได้นั่นแหละก็คือเป็นนิพพานเพราะว่ามันหมดแล้วนี่พลผู้รู้เอ่อเลยจากผู้รู้ไปแล้วมันไม่มีใครแล้วก็กลายเป็นว่าในส่วนที่เป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดก็คือกายแล้วก็จิตรวมถึงผู้รู้เนี่ยอันเนี้ยผู้รู้ที่เป็นเราอะนะก็เป็น อยู่ภายใต้กฎใจลักทั้งหมดก็เป่นสิ้นยึดถือเมื่อสิ้นยึดถือมันก็เข้ามันก็พ้นไปเป็นความไม่ปลดไม่ปรากฏเป็นความไม่มีอะไรมีแต่ความรู้แจ้งที่พ้นจากสังขารทั้งปวงรู้แจ้งอันนี้แหละที่เรียกว่าพุทธะพุทธะเนาะเพราะนั้นพุทธะเนี่ยเป็นเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแต่เป็นรู้ที่สะอาดสว่างสงบรู้แล้วหลุดรู้แล้วพ้นไม่เป็นอะไรเลยก็เป็นเป็น เป็นธรรมชาติดั้งเดิมหรือว่าจิตเดิมแท้แ ท, แท้เลยนี่แหละคือความบริสุทธิ์ของจิตอันนี้อันนี้เราก็ตั้งชื่อเรียกว่าจิตแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีชื่อเรียกเนาะแต่ว่าเพื่ อ, อเพื่อในการสื่อสารแล้วก็ให้แยกให้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นตัวตัวที่ไม่ทุกข์ไม่สุขคือมันพ้นไปแล้วตรงนี้ก็จะครบถ้วนบริบูรณ์คือจบจบหลักสูตรก็คือวางหมด วางหมดทิ้งหมดแล้วก็เหลือแต่ธรรมชาติรู้เพียวๆที่บริสุดอันนี้แหละคือมันจะจบอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อมาก็เพื่อชี้บอกให้เห็นเห็นภาพเนาะว่าการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกเนี่ยก็เห็นภาพอย่างเนี้ยส่วนวิธีอะไรต่างๆก็ก็มันมีเยอะอนะสูตรพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เนาะก็มีที่ถ้าใครอ่านพระสูตรอ่านพระไตรปดฎกอะโหเยอะแยะหลวงพ่อมองว่าอ่านทั้งชีวิต ก็อ่านไม่หมดแล้วก็จะเข้าใจก็ไม่ได้แต่การเข้าใจจะรู้แจ้งเนี่ยต้องต้องมีภาคปฏิบัติด้วยก็คือมีสติเนาะสังเกตสังเกตอะไรก็สังเกตเหมือนที่หลวงพ่อว่าเนี่ยดูกายดูดูจิตแล้วก็เข้าใจเรื่องผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางหมดมันก็ถึงได้จบจริงนะทีนี้ก็โอเคหลวงพ่อเคอยชี้แล้วภาคปฏิบัติเคยไปติดตรงไหนยังไงเนี่ยมาคุยกันดู กลับนมรสการเจ้าคะ่ะพอดีเมื่อกี้เกิดอาการขึ้ น, น่ะค่ะที่เห็นว่าผู้รู้อ่ะค่ะเพราะว่าโยมจะสังเกตผู้รู้เพราะว่าผู้รู้เขาจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากการฟังจากการปฏิบัติแล้วเขาก็จะเอามาบอกมาสอนว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้แบบนี้แบบนี้โยมก็จะตามผู้รู้อยู่แต่เมื่อสักครู่ที่ระหว่างที่นั่งฟังพระอาจารย์อยู่ โยมจะนั่งสังเกตผู้รู้อยู่เจ้ค่ะพระอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมผู้รู้ไม่ออกมาพูดมาอะไรเลยผู้รู้หายไปไหนซึ่งมันเป็นกิริยาในระหว่างฟังอยู่อเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะมันมีตรงนี้หลวงพ่อไม่แน่ใจนะที่ว่าสังเกตผู้รู้เนี่ยไอ ต, ตัวจริงมันก็มันก็เป็นเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งเนาะตรงนี้ต้องต้องดูให้ดีว่า ผู้สังเกตเนี่ยมันเป็นตัวตัวเราอีกตัวไหมที่จะมาดูที่คอยจะสังเกตได้ผู้รู้อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นไอตัวสังเกตเนี่ยจริงๆมันก็คือตัวเราเหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าถ้าไม่เห็นผู้สังเกตว่าเป็นเราเนี่ยมันก็ยั ง, ย, งยังมีเราอยู่ที่จะคอยดูผู้รู้อเพราะฉะนั้นถ้าจะปล่อยวางนะ อันนี้กรณีที่ที่เล่าไว้หลวงพ่อฟังเนาะต้องปล่อยวางผู้สังเกตเพราะว่าผู้สังเกตก็เป็นเราอะ่ะก็ต้องปล่อยวางตัวนี้เสียเออมื่อปล่อยวางตัวนี้เท่ากับว่า อ, อ๋อก็หมดไปไปขนาดจิตหนึง่งทีนี้หลังจากนั้นอะไรก็ก็ว่ากันอีกทีหนึง่งทีนี้โยมลองขยายความให้หลวงพ่อฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่าคําว่าโยมสังเกตเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรมันเป็นสังขารปรุงแต่งอีก อีกตัวนึ่งใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราให้ให้มีสติรู้เท่าทันผู้ตัวเราผู้สังเกตแล้วก็วางตัวนี้แล้วก็จบไปเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันมีมันมีมนมมมหลายหลายหลายอาการเนาะที่ที่จะ อ, อ่อเรียว่านะพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันมีหลายพฤติกรรมแล้วก็จะมีตัวเราไปเป็นไปเป็นผู้มีพฤติกรรมเช่นนั้นเช่น เป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้พยายามพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นเราเหมือนกันถ้าถ้าไม่เห็นเนาะแต่ทีนี้ค่อยๆเนาะค่อยๆค่อยๆพินาดูแล้วกันอันนี้มันก็ผ่านไปแล้วแต่ก็หลวงพ่อก็พูดเหมือนกับว่าย้อนหลังให้ดูเนาะไม่รู้งงงงไหมไม่ไม่งงเจ้าค่ะพระอาจารย์เนาะเมื่อกี้จับตัวผู้สังเกตได้เนาะก็ว่า อ, อ๋อก็ตัวเราเหมือนกันแล้วก็อ๋อแล้วก็วางมันแค่วางผู้สังเกตคือ ทิงมันแล้วก็ผ่านไปแล้วละ่ะเช่าค่ะอาจารย์ที น, นี้เราลองพินานะลองทบทวนก็ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวเราอยู่ที่เป็นผู้เป็นผู้อะไรนะเช่นเป็นผู้ามาฟังธรรมะเนี่ยต้องต้องมองนี่หลวงพ่อชี้เนาะเหมือนกับว่าลองดีว่ามันมองออกได้ไหมว่าเนี่ยที่มาฟังธรรมะเนี่ยจริงๆอะ่ะคือจริงๆอ่ะมันเป็นสังขารปรุงแต่งเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ย ม, มันมันมีเขาเรียกว่ามันมันเป็นตัวเราไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ว่าไม่รู้ตัวว่ามันเป็นตัวเราอ่าพอไม่รู้ตัวปั๊บก็เท่ากับว่าเนี่ยเราเข้ามาฟังธรรมแต่พอรู้ตัวปั๊บมันก็จะรู้เลยว่าอา้าวไอสิ่งที่เข้ามาฟังธรรมเนี่ยมันก็เป็นสังขารเนี่ยถ้าเห็นแจ้งแบบเนี้ยเห็นไหมความเป็นตัวตนก็จะหายไปในขณะที่ที่รู้เพราะนั้นเนี่ยต้องต้องเหมือนกับว่าต้อง ต้องมีเนาะมีสติปัญญาเห็นอยู่ว่าใครอยากเข้ามาฟังธรรมเออพอพบปั๊บอ่ามันก็เป็นสังขารคือมันจะเห็นไปเลยว่าสังขารเพราะว่าที่ผ่านมาหลวงพ่อก็บอกทุกครั้งแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมีแต่สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เกิดนะแล้วก็สิ่งนี้คือมีแต่สังขารเท่านั้นไม่เป็นอื่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเมื่อไหร่มันก็เนาะก็เป็นสังขารเนอะแล้วมันจะแจ่มชัดมากเลยเนะ้อแจ่มชัดแจ่มชัดแล้วก็ฝึกรู้ฝึกดูไปเรื่อยอ๋อ กำลังถามปัญหาข้อธรรมถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นตัวเองขนาดที่ถามเนี่ยมันก็เป็นตัวเราโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเห็นปับ๊บอ่าจะถามเออก็เป็นสังขารกาลังกาลังขยับอะไรเนี่ยมันก็เออมันก็จะชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหรือบางทีเราอาจจะมองตัวเองไม่ออกเราก็สังเกตคนอื่นก็ได้ว่าพอคนอื่นขยับปับ๊บถามแล้วเนี่ยก็ให้เห็นว่าเอานั่นแหละคือคือสังขารนะ สังขารกำลังถามกำลังปรุงแต่งแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวมันก็ว่าให้เห็นตัวเองอะ่ะพอเห็นตัวเองปับ๊บมันก็รู้ว่าอ๋อตัวเองก็เป็นสังขารเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่ารู้นอกแล้วก็น้อมยอ่ออ่าน้อมเข้ามาใส่ตัวก็กลายเป็นสังขารทั้งคู่เลยเห็นไนะแล้วพวกนี้การฝึกปฏิบัติแบบนี้มันจะเร็วที่มันเร็วเพราะว่ากำลังเห็นอยู่กาลังรู้อยู่ เหมือนเนี่ยหลวงพ่อกําลังบรรยายเนี่ยถ้าสมมติโยมมองเนาะโยมมองว่าอาหลวงพ่ออาหลวงพ่อก็เป็นสังขารและโยองก็กลับมาดูตัวเองอ่าอันนี้ก็เป็นสังขารเนี่ยอันนี้หลวงพ่อพูดเป็นคําพูดนะแต่จริงๆอ่ะโยมก็เหมือนกับว่าบางคือภาคปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ม า, มามามาพูดมามาบอกว่ามันเป็นสังขารหรอกเพราะมันเข้าใจไปแล้วแต่ถ้ามันจะบอกว่าเป็นสังขารก็ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่ารู้ว่าไอ้ตัวที่บอก มันก็เป็นสังขารด้ยตัวมันเองอยู่แล้วก็เห็นเห็นเมื่อเห็นอย่างเนี้ยไอ้สังขารนี่ก็จะเป็นถูกเห็นเลื่อยไปเอ่แต่ผู้เห็นนั้ไม่ปรากฏตัวเออมันก็จานานมากขึ้นในเรื่องการปล่อยวางนะที่สําคัญคือต้องต้องพบเห็นสิ่งที่จะต้องพบเห็นนะต้องพบเห็นสิ่งที่ต้องต้องปล่อยวางนะเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ย การที่จะปล่อยวางเช่นปล่อยวางอัตตาเนาะมันจะต้องเห็นตัวเองก่อนว่าอ๋อมันเป็นอัตตาอยู่แล้วพอเห็นเสร็จแล้วก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกว่าอ๋อไอตัวนี้ก็คือสังขารนั่นเองเพอเข้าใจถูกแค่นี้ความเป็นอัตตาก็ก็หนับไปแต่ถ้าไม่เห็นเห็นไหถ้าไม่เห็นมันปล่อยวางไม่ได้หรอกเพราะไม่เห็นเพราะนั้นสภาวะธรรมทุกทุกอย่างนะจะปล่อยจะละปล่อยวางได้เนี่ยมันจะต้องเห็นก่อน ไม่กระทั่งความโกรธนะความโกรก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในในจิตการที่จะเอ่อจะให้หลุดพ้นจากความโกรธได้เนี่ยมันจะต้องไปเห็นความโกรธก่อนหรือนะเรียกว่าไปรู้ก็ได้นะรู้ว่าโกรธก่อนแล้วถึงจะจะวางมันได้แต่ถ้าโกรธแล้วแล้วยังไม่เห็นเลยยังไม่รู้เลยเนี่ยมันก็วางไม่ได้เพราะเหตุว่ายังยังไม่เห็นเพราะนั้นทุกอย่างนะจะต้องพบเห็นก่อนแล้วถึงจะพ้น ทำไมถึาก็จะวางสิ่งนั้นได้แต่ทีนี้การวางเนี่ยพูดไปมันก็เป็น เ, เหมือนกับคนมันก็พูดยา ก, ก น, นะเพราะบางคนบอกว่าถ้าวางเนี่ยคือเขาจะไปเทียบกับว่าเหมือนกับว่ามีวัตถุชิ้นหนึ่งถืออยู่ในมือนะหรือเมื่อวางก็มีกิริยาท่าทางการวางคือปล่อยมือไปแต่การวางที่ถูกต้องเนี่ยวางด้วยการรู้สึกตัวเนี่ยมันมันไม่มีกิริยาการวาง เออมันเหมือนกับว่าพอเห็นปับ๊บมันหลุดไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีกิริยาการวางเออมันก็แปลกแต่ว่าเรื่องนี้ต้องต้องเห็นด้วยตนเองเนะาะเพราะหลวงพ่อพูดไปบางทีก็ถ้าถ้าโยมยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มันก็นึกไม่ออกอืมให้พบด้วยตนเองก่อนว่าการปล่อยวางที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเอาเป็นนี้นะสมมติว่าหลวงพ่อจะยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราเห็น เราเวลาเราเดินเนี่ยเนาะเราเราเดินเนี่ยอาจจะไปเห็นเอกิ่งไม้หรือเอาเห็นก้านกล้วยก็ได้เนาะเอที่มันสัลโวสัลโวหน่อยเนี่ยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันเป็นอ่ความเข้าใจผิดคือมันเหมือนกับว่ามันไปคิดมันมีสัญญาจําได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยคล้ายๆลงูเนาะคล้ายคลงูแล้วก็มันก็แปลความหมายแปลว่าไอไอไอเปลือกไอทางกล้วยเนี่ยไอไอก้านกล้วยนี่เนาะมันเป็นงูจริงๆ ในขณะนั้นเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าในขณะนั้นเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นเป็นงูจริงๆแต่ทีนี้ปั๊บไอความเข้าใจผิดเนี่ยเมื่อมันยังเข้าใจผิดใช่ไหมมันก็ยังเหมือนกับว่ายังยังเป็นโงูอยู่แต่พอมันเข้าใจถูกว่าอ๋อเป็นแค่ก้านกล้วยเห็นไหมมันจะพลิกเลยมันจะพลิกจากความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจถูกคือรู้ว่ามันไม่ใช่งูเห็นไหม เพราะฉะนั้นความเป็นงโง่เนี่ยมันก็จะหายไปแบบไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ได้มีการแบบต้องมีกิริยาการการปล่อยหรือการวางหรือการทำเข้าเข้าใจอะไรที่มันเพิ่มเติมอีกเพียงแต่ว่าความเข้าใจถูกเนี่ยมันจะมาแทนความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดก็เลยล่วงหายไปเพราะฉะนั้นเรื่องการปล่อยวางที่หลวงพ่อพูดก็เหมือนกันนี่ยมันคล้ายๆประมาณอย่างเนี้ยพอรู้ปับ๊บอ๋อจากความเข้าใจผิดมันก็เป็นความเข้าใจถูก พอเข้าใจถูกปับ๊บไอสิ่งที่มันเคยมีเคยเป็นก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะร่วงหายไปหายไปแบบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยอหรืออีกอย่า ง, ง<ม>บางทเีเช่นการปล่อยวางความทุกข์ก็ได้เนาะความทุกข์เนี่ยหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างบางทีนะสมมุติว่ากําลังทุกข์มากเลยคิดกําลังกลุ้มใจมากๆเลยนะเป็นทุกข์กันเลยแหละเขาเรียกว่าเข้าไปในทุกข์เลยแล้วก็เป็นผู้ทุกข์ แต่ทีเนี้ยยังออกไม่ได้เขายังไม่รู้วิธีหรือยังไม่มีเหตุให้พ้นจากทุกข์ก็เลยเข้าไปเป็นทุกข์พอเข้าไปเป็นทุกข์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับหลงนรกเลยนะตกนรกเลยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีเหตุนะมีคนมามาเรียกชื่อเราหรือมีกําลังนั่งอยู่แล้วก็มีกิ่งไม้มีลูกอะไรหล่นใส่หัวป๊อกหนึ่งเนาะอืม ตรงนี้แล้วมันจะเกิดความสะดุ้งเขาเรียกว่ากระตุก ค, คือรู้สึกตัวขณะนะที่กำลังมีทุกข์ไอ้ตรงที่รู้สึกตัวเนี่ยที่มีสิ่งม า, มากระทบกายเนาะมันก็จะสลัดหรือมันวางนะมันวางความทุกข์มันวางความทุกข์โดยที่ไม่มีผู้วางเลยนะมันหมันกับว่ามันหลุดออกมาจากความทุกข์แล้วก็ความทุกข์ก็หายไปมันหายไปในขณะที่มีลูกอะไรมาหล่นใส่หัวอย่างเงี้ยมีสิ่งของมาหล่นใส่หัว มันก็หายไปแบบไม่มีผู้วางไม่มีผู้กระทําใดๆทั้งหมดสิ้นมันก็เป็นเป็นเป็นธรรมชาติที่มันเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นผู้วางทุกเนี่ยตรงนี้ก็พอจะเข้าใจได้เนาะเวลามันมันเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางความยึดมั่นปล่อยวางความทุกข์หรือว่าหลุดออกจากทุกเนี่ยมันหลุดโดยวิธีแบบเนี้ยเเพราะฉะนั้นการหลุดการพ้นเนี่ยมันจึงไม่มีใครเป็นผู้หลุดไม่มีใครเป็นผู้พ้นไม่มีใครเป็นผู้ปล่อยวาง มันเป็นแค่เป็นธรรมชาติซึ่งมันมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้อันนี้ก็หลวงพ่อก็เหมือนกับว่ายกตัวอย่างให้เห็นเพราะทุกคนเนี่ยย่อมมีประสบการณ์ในสิ่งพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเอาสิ่งเอาประสบการณ์พวกเนี้ยมาเหมือนกับว่าหลวงพ่อได้บอกเนาะได้ชี้ให้เห็นว่าการจะหลุดพ้นมาจากอะไรก็ตามการที่ปล่อยวางก็ตามเนี่ยมันก็มีลักษณะแบบเนี้ยคือไม่ได้มีตัวตนเป็นผู้วางไม่มีตัวตนเป็นผู้ จะหลุดอะไรเลยคือมันหลุดตามที่ได้พบได้เห็นนั่นแหละมีพูดถึงเรื่องการหลุดพ้นการปล่อยวางหรือการพ้นจากทุกข์อะไรเนี่ยอยู่ก็ประมาณอย่างนี้จริงๆธรรมะนี่เนาะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งหมดเลยมันมีอยู่แล้วในในในตัวเราเนี่ยซึ่งเขาแสดงให้เห็นทั้งทั้งเป็นทุกข์ทั้งพ้นทุกข์เออเขาแสดงให้ครบหมดเลยเพียงแต่ว่า เ, ออเราเราไม่เห็นสิ่งนั้นหรือว่าเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นเนาะ พอไม่เห็นไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องอาศัยเออคนที่เขามาบอกว่า อ, อ๋อสิ่งนั้นนะมีอยู่แล้วนะเออทีนี้พอเป็นอย่างงี้มันก็จะเข้าใจได้นะเข้าใจได้พออะไรเกิดขึ้นก็เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะนั้นเนี่ยธรรมะตั้งแต่ทุกรวมกันทั้งพ้นทุกเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ในธรรมชาติที่เขาแสดงให้เห็นอยู่เนี่ยเนาะเราไม่ได้ไปค้นหาอะไรที่ไหนหรอกเออมันอยู่อย่างเนี้ยรู้มันเห็นมัน มันมีเรื่องเรื่องเล่านะเออหลวงพ่อตอนนั้นมันมีโยมคนหนึ่งอะติดเพ่งเนาะติดเพ่งหมายความว่าแกเนี่ยฝึกฝึกมานานฝึกมานานแล้วก็เพ่งดูแต่จิตเพ่งมเพ่งมากๆเลยเพ่งในอกเพ่งดูจิตจนกระทั่งวไม่ค่อยรับรู้คนอื่นเนาะไม่ค่อยรับรู้อะไรใครพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามัวแต่เอ่อเพ่งอยู่นั่นแหละเออทีนี้พอมันมีตอนนั้นเนี่ยคือ เห็นเหตุการณ์ก็คือว่าสมมติว่ามีหลวงพ่อเนาะแล้วมีอาจารย์องค์อื่นแล้วก็มีโยมคนอื่นกาลังนั่งนั่งฟังธรรมอยู่แล้วก็แล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับว่าจะช่วยจะช่วยโยมคนที่เพ่งอะว่าทำยังไงให้หลุดสักทีหนึ่งเนาะพอพูดเท่าไหร่แกก็หลุดไม่เป็นอะเพราะว่ามันเป็นนิสัยไปแล้วทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งคือแดดเนี่ยมันก็ร้อนเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยขยับเก้าอี้ ทุกคนขยับเก้าอี้เพื่อจะไปอไปวางไว้ในร่มอะไรเนี่ยไอ้ตรงที่ขยับเก้าอี้ตรงเนี้ยนะทุกคนก็ขยับรวมถึงโยมคนนั้นแกก็ขยับเก้าอี้ไอ้ตอนที่แกขยับเก้าอี้เนี่ยแกก็เหมือนกับว่าแกแกแกหลุดจากความเพ่งไงเพราะว่าต้องต้องมาเลื่อนเก้าอี้เนาะแล้วทุกคนหลายคนก็เห็นว่าโยมเนี่ยหลุดจากการเพ่งแล้วนะแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จพวกเราก็ รวมถึงอาจารย์ด้วยเนาะพยายามบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกตัวไหมว่าตอนที่ขยับเก้าอี้เนี่ยมันหลุดแล้วหลุดจากการแพ่งแกก็ก็อ่านไม่ออกมองไม่เห็นคือรู้ไม่ได้เลยอะ่ะเพราะจริงจริงมันต้องหลุดอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ขยับเก้าอี้เหมือนกับว่าต้องมาทําอย่างอื่นเนะเาะพอมาทําอย่างอื่นปั๊บไอการเจตนาการจงใจตรงนั้นแหละมันมันถูกวางไปเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเพราะว่ามันมันแวบเดียวก็ได้นะ พอจับขยับเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปนั่งเพ่งต่อเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่มันเปลี่ยนอะจากเพ่งเป็นไม่เพ่งอ่ะมันสั้นเกินไปแกไม่เห็นแต่อาจารย์ก็เห็นคนอื่นยังเห็นเลยว่าเมื่อกี้แกหลุดแต่แกไม่รู้ว่าหลุดนะเพราะฉะนั้นพวกเราจริงๆมันก็มีไอ้ภาวะการหลุดการพ้นอะแต่ว่าเราเราไม่รู้จักเองนะมันนี่อยู่แล้วการหลุดาาการติดกันเนี่ยค่ะสาธุกค่ะบางทีเราไม่ได้ทันสังเกตนะคะแล้วก็ เมื่อกีก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ใช้ไปในแต่ละวันนะคะแต่จริงๆเราก็ใช้ธรรมชาติของเราที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันหรือว่าประจำวันตรงนี้ค่ะก็คอยหัดสังเกตนะคะขอโอกาสนะคะพระอาจารย์มล้อก เห็นแล้วมันก็หลุดของมันเองก่อนหน้านี้โยมตั้งคำถามกับพระอาจารย์เรื่องสังขารอีกตัวหนึ่งจ้าค่ะ <S <S พอหลังจากที่พระอาจารย์ตอบแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็จะหลุดมันจะเห็นว่าอ๋อนี่คือสิ่งถูกรู้เมื่อกี้มันเป็นสังขารนั่นคือสิ่งถูกรู้มันก็เลยหลุดเจ้าค่ะ Mm hmm. แล้วเมื่อหลุดมันก็รู้ด้วยนะรู้ว่าหลุดรูด้ที่มันธรรมชาติอะธรรมญาติรู้นี่เราพะหลุดมันก็รู้ว่าหลุด <c oughs> อย่างเงี้ยกวนเลยหลุดก็รู้ว่าหลุดอย่างที่เคยคุยกับโยมหนุย่ยนุ้ยเนาะตอนนั้นที่ยกตัวอย่างเรื่องความรู้สึกตัวหลวงพ่อก็ลืมไปแล้วแต่พูดถึงที่โยมบอกว่ากําลังปอกผลไม้เนาะแล้วผลไม้เหมือนกับมันจะหลุดมืออย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นแหละมันจะมีสภาวะบางอย่างที่ที่ปรากฏขึ้นซึ่ง เออเจ้าตัวเนี่ยบางทีอาจจะได้ประโยชน์นะคือรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่าขณะที่ผ ล, ลไม้หลุดมือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น แ, แล้วก็จะเข้าใจตรงนั้นแหละมันก็เป็นปัญญาเนี่ยบางทีพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญญาได้หลายอยู่นะออแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการสังเกตการอะไรนี่มันจะเห็นอะไรไหมเนาะถ้ามีเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ เหมือนกับมันเกิดการเฉลียวใจขึ้นมาว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีอยู่แต่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมักจะเป็นปัญญาแล้วก็เป็นปัญญาในทางที่ค่อนข้างจะถูกต้องด้วยนะเอออย่างงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าอ่ะประสบการณ์อ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องแบบมันไม่น่าจะเป็นปัญญาได้แต่ความรู้สึกในในใน ใ, ใ, ในส่วนตัวก็คือว่าโอ้โหมันเป็นเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากก็คือที่เคยเล่าถึงเรื่องการตากผ้าเนาะอืมตากผ้า แล้วก็พอตากผ้าแล้วล้าก็ไปเดินจงกมไปทํานู่นทํานี่อะไรเนี่ยพอกลับมาดูติิงเห็นผ้ามันแห้งไปแล้วเนี่ยตรงนี้แบบเหมือนกับว่าโอ้โหผ้ามันแห้งเองนะเนี่ยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำมันแห้งของมันเองแค่นี้มันเกิดปัญญาที่กว้างขวางมากเลยคือมันจะไปเห็นสิ่งอื่นทุกอย่างเลยไม่ว่าที่จะเกิดขึ้นในตัวเรานะความแก่ความเจ็บความตายความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเองหมดเลยนะ รวมถึงธรรมชาตินอกตัวนะที่มันมีที่มันปรากฏเนี่ยที่มันหายไปมันหมดไปเนี่ยก็เข้าใจได้เลยที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเองหมดเลยตรงนี้มันก็เป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าแค่เห็นสิ่งสิ่งเดียวว่ามันมันแห้งของมันเองโดยไม่มีเราเป็นผู้กระทำนะไม่มีเราเป็นผู้ไปยุ่งไปไปวุ่นวายไปทําอะไรแต่มันเปลี่ยนสภาพได้เองตรงเนี้ก็เลยเห็นเหมือนกับว่าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างว่า อ, อ๋อความเป็นไตรลักษมันก็เป็นเองโดยที่ว่าไม่มีเรามีส่วนไปไปยุ่งหรือไปจัดการนะพอเข้าใจเรื่องความเป็นเองเนี่ยมันก็เข้าใจทั้งลักษณะ3มอย่างเลยเข้าใจเรื่องสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเป็นอนัตตามันรวบยอดเลยพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็ใช้ในชีวิตได้เลยนะใช้ในชีวิตประจําวันก็คือว่าทุกอย่างที่ประสบอ่าประสบพบเหตุในในข้อตามที่มันกําลังปรากฏกําลังมี หรือมีแล้วหมดไปหมดไปเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาตัวเนี้ใช้ได้เลยนะเช่นสมมติว่ามันเจ็บอ่ามันเจ็บขึ้นมาในปัจจุบันก็เข้าใจได้เลยว่าเจ็บมันก็เจ็บเองเนะปวดก็ปวดเองร้อนก็ร้อนเองหิวก็หิวเองหรือว่ามันหายไปความปวดหายไปความเจ็บหายไปความหิวหายไปอะไรต่างๆอ๋อมันก็เป็นเองอีกเห็นไหมใช้หลักตัวเดียวกันหมดเลยแค่นี้ยใจมันยอมรับได้แล้วก็ใจมันก็ไม่ทุกข์หรือถ้าทุกข์ก็อาจจะหลงอยู่บ้างแล้วก็ทุกข์น้อยลง แต่ปัญญาตรงนี้สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ครอบคลุมกับทุกเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกไหมเราตากผ้าแล้วผ้าแห้งอะ่ะถ้าถ้าปัญญาไม่เกิดจริงๆอ่ะเนาะเคยเห็นมาตั้งไม่รู้เท่าไรแล้วก็ตากผ้าผ้าก็แห้งแต่มันไม่เกิดปัญญาเนาะเหมือนกับว่ามันก็เห็ น, หนแล้วก็ผ่านไปแต่พอเกิดปัญญานี่มันยิ่งใหญ่มากอะ่ะมันเป็นแบบโอ้ยอะไรเนี้ยมันเกิดเหมือนกับอะไรนะจุดจุดที่มันเริ่มเห็นผ้าแห้งแค่จุดเล็กๆนิดเดียวแต่มันสามารถที่จะขยายแบบ ออกไปทั่วภัยสารเลยแผ่ขยายครอบคลุมทั้งจั ก, กรวาลเลยครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจครอบคลุมทั้งสิ่งที่อยู่นอกตัวทั้งหมดดวงวิญญาณที่ตรงจันทร์ว่าทุกอย่างเนี่ยที่มันมีอยู่มันมีอยู่ก็มันเป็นเองหมดเลยเค่ะ <c oughs> จริ ง, รงๆเขาเรียกว่านะคะกระบวนการของอการที่เรามองธรรมชาติเนี่ยนะคะให้ให้มันเกลับมาแล้วก็มีปัญญากเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นกับสู่ความเขายกวคะสดใหม่เสมอตลอดเวลานะคะถ้ า, ถาแท้จริงเนี่จริงๆเรากำลังเข้าสู่เหมือนเนี่ยทุกๆขณะนะคะเหมือนนกที่ต้องขยับปีกตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองยังคงบินเหมือนบนท้องฟ้านี่การที่เราต้องหมั่นฝึกตนอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคะเพื่อว่าให้ใจเรามีความสถียนในระดับหนึ่งแล้วก็พบว่าตนเองได้รับความ เขเรียกคะผ่อนคลายในยระดับที่เพียงพอไม่ใช่ว่าเราพลาดหรือว่ายังไม่ดีแต่ว่ากลไกทางธรรมชาติเนี่ยค่สร้างเราให้มาเป็นแบบนี้นั้นการอยู่ความใหม่สดเสมอของตัวเองเนี่ยนะคะก็คือการที่เรารู้รู้สึกตัวเนี่ยหรือว่าการตื่นรู้ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีการสลัดภาพเก่าทิ้งตลอดเวลาเช่นกันนะคะเมื่อเกิดความชํานาญเราก็จะพบว่าถึงแม้ว่านกเนี่ยจะขยับปีกนะคะเพื่อให้ตัวเองทรงตัวได้อยู่บนท้องฟ้าขณะบิน นกเนี่ยจะไม่รู้สึกว่านั่นคือตัวเองกําลังทำนะคะหรือว่ากําลังประคองการบินของตัวเองเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยจะเกิดอิสราภาพจากการกระทําทุกอย่างของตัวเองนะคะทแต่ว่าอยู่เหนือการกระทำค่ะจึงทําให้หมดความเหนื่อยยากในลําบากในทางใจไปเองนะคะหมดความทุกข์ที่เคยยึดถือยึดติดทางใจไปเองเพราะฉะนั้นทำแท้เนี่ยจะให้ความอิสระทางใจอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเราเนี่ยค่ะเราก็ นี่ค่ะเราทำอะไรอยู่ทุกวันแต่บางทีเราลืมไปว่าเออเราเราทําอะไรหรือเมื่อที่เราเดินเราก็รู้ว่า่หน้าที่เราเดินเราเดินได้แค่นั้นเราไม่เคยนึกเอะใจหรือเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าผ้าเนี่ยเราเห็นผ้าแห้งเราก็เหมือนกับเรียนรู้มาตลอดว่าเราถากผ้าผ้าก็แห้งอนะคะอ่าแต่ว่าเนี่ยให้เรากลับมาลองสังเกตก็ได้ค่ะแล้วก็เนี่ยอยู่วความสอดใหม่เอาอะไรก็ได้นะคะมาอ้ามาเขาเรียกอะไรคะมา สื่อคติก็ได้ค่ะว่าเออเราเห็นอันนี้มันเป็นอย่างเช่นตอนนั้นฟังไม่น่ใจหลวงพ่อทูลหรืออะไรหรือจำชื่อไม่ได้แน่นอนนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีพระอาจารย์ท่านน่ะพูดว่าให้ให้เหมือนกับว่ามีคาพูดเนี่ยคะเกิดดับนะคะหลวงพ่อทูลก็กลับมาพิจารณานะคะพิจารณาแค่เกิดกระดับ เนี่ยทำงานอะไรก็พิจงงารณาเกิดดับจนกระทั่งใจท่านเนี่ยค่ะเห็นเห็นว่าเออทุกสิ่งเนี่ยมันมีก็มีอยู่แค่เนี้ยค่ะนะคะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติไปจนกระทั่งเออท่านเข้าใจแล้วก็ตะหลังมาบวชนะคะเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติมาก็ให้เราหัดสังเกตนะคะแล้วก็มองรอบตัวเนี่ยค่ะไม่ต้องมองไกลบางทีบางคนแบบคาดหวัง มีเป้าหมายเพื่อจะไปถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองวางใจลงแล้วก็น้อมใจให้มันเป็นธรรมชาติะคะ่ะเอาสิ่งรอบตัวพวกนี้ค่ะมานะคะแต่ว่าถ้าท่านใดต้องการที่จะเขาเรียกอะไรคะศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนูก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้ทราบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถหาความรู้ได้จากโอโ้หลายแหล่งมากๆเลยแต่ว่าอย่างเรื่องพวกนี้มันเป็น เราต้องรู้ด้วยตัวเองแบบประจัดตังแล้วก็มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลตัวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะคะค่ะก็มีแต่สิ่งเกิดดับเนาะมีแต่เกิดแล้วดับมีแต่เกิดแล้วดับทุกอย่างเลยนะที่เนี่ยที่ปรากฏเนี่ยปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปมันมีแค่นี้จริงๆนะโยมเนาะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่เห็นตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็ไปหลงผิดว่ามีเรานะ แล้วก็พอมีเราเสร็จแล้วเราก็หวังที่จะให้เราไปได้อะไรให้ไปถึงอะไรมันไม่มีเลยไม่มีเลยที่เราต้องได้อะไรหรือไ่ต้องไปถึงอะไรมันมีแค่ทุกสิ่งเนี่ยที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปเนี่ยแค่นี้จริงๆนะหม่อลุงพ่อเนี่ยถึงมามองกันว่าทาไมลงพ่อเนื่อนช้าทำไมเราไม่เข้าใจเราทำไมทาไมเหมือนกับไอของแค่นี้ทำไมเข้าใจกันไม่ได้ แต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่ามันมีแต่สิ่งเกิดดับเนี่ยพอมีแต่สิ่งเกิดดับเนี่ยยมดูที่เสียงเนี่ยที่พูดไปมันก็ได้ยินแล้วก็หมดได้ยินแล้วก็ได้ยินใหม่แล้วก็หมดได้ยินใหม่ก็หมดการเห็นก็เหมือนการเห็นทางตาเนี่ยมันก็เห็นอะไรผ่านตามามันก็ก็เห็นพอมันมันมันหมดไปแล้วมันดับไปแล้วหรือมันผ่านไปมันก็ไม่เห็นมันก็มีแค่สลับอย่างเนี้ยอย่างเนี Basically. ้ยเนาะอารมณ์ ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตทางใจเนี่ยมันมีลักษณะเดียวกันหมดมีแต่สิ่งปรากฏแล้วหมดไปหมดไปไม่มีอะไรเลยอทีนี้เนะี่ยมันจะเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็หยุดดิ้นนะหยุดดิ้นที่จะไปเอาหยุดดิ้นที่จะไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีอยู่ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอถ้าพูดเป็นทางพาริยัตก็จะบอกว่าให้มีสติเห็นอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันเนาะเห็นอยู่รู้อยู่มันก็คือแค่นี้แหละนะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลย เพราะใครจะได้หรอมันไม่มีตัวผู้จะได้เพราะว่าตัวผู้จะได้มันก็ถ้าสมมุติมีตัวจริงนะมันก็ดับเหมือนกันเช่นสมมติว่บาบอกว่าเรามีตัวแต่ตัวเรามันก็เกิดดับอะ่อะเนาะมันเกิดดับบางทีเนี่ยไม่กระทั่งตัวเราตอนเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยสมมติว่าตอนเนี้ได้อะไรมาได้สักอย่างหนึ่งนะสมมติว่าได้อะไรเดียสมมติว่าได้ความรู้เนาะเข้าใจแป๊บเดียวแคนะ่นั้นความเข้าใจไม่รู้มันหายไปไหนมันก็อาจจะความไม่เข้าใจขึ้นมาแทนก็ได้ หร uh, ือบางทีมันหายไปเลยเขาเรียกว่าลืมไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเกิดดับอยู่เนาะมันมีแต่สิ่งเกิดดับเหมือนกับในพระสูตรที่เราเคยได้ยินบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมอันนี้ก็พูดถึงความดับหรืออีกสูตรหนึ่งบอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป เพราะฉะนั้นะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ก็คืออะไรทุกขสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะกลับไปกลับมามีแต่สิ่งนี้เท่านั้นเนี่ยมันมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นเลยอืมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ให้เห็นมากๆก็คือในตัวเรานั่นแหละว่าอะไรที่มันมันไม่มันเกิดแล้วไม่ดับบ้างไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจเนี่ยดูง่ายที่สุดแล้วก็เป็นกรรมฐานที่สุดยอดด้วยไปดูสิว่าลมหายใจเข้าอ่ะเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นออก ออกแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าคือเข้าออกเข้าออกเนี่ยตรงนี้มันก็แสดงสัจจะทาความจริงว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีลักษณะเกิดดับอย่างเนี้ยเพราะนั้นกรรมฐานลมเนี่ยแค่รู้กรรมฐานลมอย่างเดียวเนี่ยสามารถบรรลุธรรมนิพพานได้เลยเพราะว่าเข้าใจเรื่องอความเป็นไตรลักษณ์ของลมเพราะลมเนี่ยมันแสดงทุกลักษณะให้เห็นว่ามีการเกิดแล้วก็ดับมีการเกิดแล้วก็ดับ แล้วก็แสดงให้เห็นความทุกข์ก็ได้ว่าลมหายใจเห็นไหมมันบีบคั้นบีบคั้นคือหายใจออกพอหายใจออกจนสุดมันก็บีบคันที่จะคือมันทนไม่ไหวแล้วก็ต้องหายใจเข้าพอหายใจเข้ามันบีบคันทนไม่ไหวแล้วมันก็หายใจออกมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาเลยที่จะให้ให้ต้องเปลี่ยนนะอย่างนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ออมันเป็นทุกข์ขังคือทนสภาพเดิมไม่ได้นะ แล้วก็ลมลมมันก็เป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนเนาะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องลมเนี่ยจริงๆนะเหมือนกับที่หลวงพ่อคล้ายๆพูดจำนองเรื่องตากผ้าเลยมันแห้งเนะข้าใจเรื่องผ้าแห้งอย่างเดียวก็สามารถเข้าใจอย่างอื่นได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องลมนะลมหายใจเนี่ยก็สามารถเข้าใจเรื่องความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งอื่นได้ทั้งหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นในจริงๆมันมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเนาะ